พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้เสมอว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้เพราะใจเป็นสิ่งเดียวในโลกนี้ที่ไม่มีวันสูญสลายไม่มีวันดับ ใจเป็นสิ่งที่ให้ความสุขและความทุกข์กับพวกเราเป็นความสุขและความทุกข์ที่รุนแรงและมีน้ำหนักมากกว่าความสุขทางร่างกายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ เป็นความสุขที่ถาวรความทุกข์ก็เป็นความทุกข์ที่ถาวรแห่งใจของพวกเรานั้นยังตกอยู่ในกองทุกข์อยู่กับความทุกข์มานับเป็นเวลาอันยาวนานและจะอยู่กับกองทุกข์ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะได้น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาดึงใจให้ออกจากกองทุกข์ส่วนใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์เป็นใจที่มีความสุข นับตั้งแต่วันที่ได้ทรงตัสรุได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในกรณีของพระสาวกก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ใจของท่านเหล่านี้เป็นใจที่มีความสุขอย่างถาวรดังนั้นการกระทำอะไรก็ดี ทำอะไรให้กับสิ่งต่างๆในโลกนี้ทำได้ทาได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็เป็นผลเพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวการกระทำอะไรต่างๆทั้งหมดที่เราทำกันนี้เราก็ทำเพื่อร่างกายของเราแต่ร่างกายของเราก็อยู่ได้ ไม่นานอย่างมากก็ร้อยปีก็ต้องตายไปและผลต่างๆที่เราได้ทำให้กับร่างกายมันก็หมดความหมายไปแต่การกระทำต่างๆที่เราทำเพื่อให้กับใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จะอยู่กับใจไปได้ตลอดเช่นถ้าเรา ดับความทุกของใจได้ความทุกข์นั้นก็จะหมดไปสร้างความสุขให้กับใจความสุขนั้นก็จะอยู่กับใจต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วการสร้างความสุขดับความทุกข์ของใจก็อยู่ในสองระดับด้วยกัน ระดับที่ถาวรและระดับที่ไม่ถาวรถ้าสร้างความสุขดับความทุกข์ให้กับใจด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญสมถะภาวนาทำใจให้สงบก็จะได้รับผลชั่วก่าบคือผลเหล่านี้มี วันที่จะเสื่อมหมดไปได้เช่นถ้าเราทำทานรักษาศีลห้าได้เราก็จะได้ความสุขระดับเทพดับความทุกข์ในระดับของเทพได้แต่บุญเลิอผลที่เราได้สร้างไวน้นี้มันมันเสื่อมดได้มันหมดได้ พอบุญที่เราได้สร้างกันขึ้นมาจากการทำทานจากการรักษาศีลเสื่อมลงไปเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเราก็ต้องกลับมาทำบุญทำทานใหม่รักษาศีลใหม่ถ้าเราไปถึงขั้นภาวนาได้จะเริยนสัมมาฐภาวนาทาใจให้สงบได้ เวลาร่างกายนี้ตายไปใจของเราก็ยังมีความสุขระดับสมถะภาวนาอยู่คือระดับพรหมก็จะไปเกิดบนพรหมโลกแต่บุญที่ได้จากการภาวนาทำใจให้สงบก็เสื่อมได้พอเสื่อมลงมาก็จะเลื่อนลงมาสู่เทวโลก แล้วจากเทวโลกก็จะเลื่อนลงมาสู่มนุสโลกต่อไปนี่คือบุญกุศลที่ยังอยู่ในขั้นที่เสื่อมได้แล้วก็มีบุญกุศลที่เรียกว่าไม่เสื่อมเรียกว่าโลกุตระธรรมธรรมที่จะทำให้ใจนี้ ไม่เสื่อมคือความสุขในใจไม่เสื่อมความทุกข์ที่ได้ดับไปแล้วไม่หวนกลับคืนมาอีกอันนี้ก็ต้องปฏิบัติทำขั้นที่สูงต่อจากขั้นภาวนาขึ้นไปขั้นสมถภาวนาขึ้นไปต้องเจริญขั้นวิปัสนาภาวน า, า, วนาคือต้องเจริญปัญญาต้องพิจารณาให้เห็น สัจจะทำความจริงคืออริยสัจสี่พิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมาเห็นอริยสัจสี่เห็นเห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็จะสามารถดับความทุกข์ในระดับต่างๆได้ ซึ่งมีอยู่สี่ระดับด้วยกันคือระดับของพระโสดาบันระดับของพระสกิ ร, ด, รดาคามีระดับของพระอนาคามีและระดับของพระอรหรันต์ก็จะเจริญขึ้นไปตามลำดับขั้นของปัญญาที่สามารถพิจารณาเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสี่หรือเห็น ความไม่สวยไม่งามของร่างกายใจก็จะก้าวขึ้นไปตามลำดับท่านจึงแยกโลกุตรธรรมไว้เก้าขั้นด้วยกันคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมรรคก็คือการเจริญวิปัสสนาในแต่ละขั้นโสดาปติมรรคผลก็คือ เวลาที่ได้เห็นอย่างชัดเจนเห็นใจรักเห็นอริยสัจสี่ในขั้นของพระโสดาบันขั้นของพระสกิดาคามีอานาคามีขั้นของพระอาหารหันต์ก็เช่นเดียวกันก็ต้องเห็นใจรักเห็นอริยสัจสี่เห็นอสุภะขั้นของพระสกิดาคามีกับพระอานาคามี ก็ต้องเห็นหนักสุภะความไม่สวยไม่งามของร่างกายขั้นของพระอรหันต์ก็ต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอรหันต์อริยสัจสี่ภายในจิตพอถึงขั้นพระอรหันต์แล้วก็จะได้พระนิพพานเป็นผลตอบแทนอนิพพานก็คือการสิ้นสุด ของกาของความเสื่อมทั้งหลายของความทุกข์ทั้งหลายใจจะไม่มีวันเสื่อมจะไม่มีวันที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบหรือมาประสบพบกับสิ่งที่ไม่ชอบนี่คือ เรื่องของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่มีไว้เพื่อที่จะมากู้ภัยให้กับใจนึงใจให้ออกจากกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดผู้ใดก็ตามถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นผู้ที่ มีโชคมีวาสนามีบุญมีกุศลเพราะมีโอกาสที่จะได้ดึงใจให้ออกจากกองทุกข์ต่างๆได้เพราะถ้าไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือไม่ได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถดึงใจให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ เช่นถ้าในขณะ น, นี้ใจของพวกเราไปอยู่อีกภพหนึ่งเช่นอยู่ในในเทวโลกหรืออยู่ในพรหมโลกเราก็จะไม่ได้รู้เรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อหรือถ้าเราอยู่ในเทวโลกเราก็ต้องมีความใฝ่บุญใฝ่กุศลสนใจที่จะศึกษาธรรมะ เราแสวงหาพระอริยบุคคลที่สามารถที่จะสอนเทวดาได้เช่นในช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่เหล่าเทวดาที่ฝ่ายธรรมก็สามารถมาฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้หรือในสมัยของหลวงปู่มัน่น ที่มีความสามารถที่จะสั่งสอนเทวดาได้ก็จะมีเทวดาที่ฝ่ธรรมมาศึกษาพวกเราก็เป็นมนุษย์ที่ฝ่ธรรมพวกเราจึงพยายามหาสถานที่หาครูบาอาจารย์ที่สามารถนำเอาคาสอนของพระพุทธเจ้า มาถ่ายทอดให้พวกเราได้ยินได้ฟังกันได้แสดงว่าพวกเรานี้มีบุญมากเพราะว่านอกจากที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังมีจิตใจที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความสนใจที่อยากจะศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า นอกจากการใฝ่รู้แล้วเราก็ยังต้องมีการใฝ่ปฏิบัติคือหลังจากที่เราได้ได้ยินได้ฟังได้เรียนได้รู้แล้วเรายังต้องทําอีกขั้นหนึ่งก็คือเราต้องปฏิบัติตามความรู้ที่เราได้เรียนมาเพราะทําที่เราได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้นี้เป็นเหมือนยาที่เราได้รับมาจากหมอ ยังไม่สามารถรักษาร่างกายที่ไม่สบายนี้ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้เราต้องเอาอยาที่หมอนี้ให้เรามาเราต้องรับประทานยาตามหมอสั่งหมอสั่งให้รับประทานวันละสามเวลาสี่เวลาเราก็ทำตามที่หมอสั่งพอเรารับประทานไปแล้ว ยาเข้าไปในร่างกายแล้วยาก็สามารถทําหน้าที่ของยาได้คือไปรักษาร่างกายไปทําลายเชื้อโรคที่ทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาพอเชื้อโรคถูกถูกยาทําลายไปหมดแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็หายไปพอทําคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจ โลกของใจก็คือความทุกข์ใจนี่พวกเราทุกคนไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่มีความทุกข์ใจเราทุกคนมีความทุกข์ใจด้วยกันถ้าเราไม่รับประทานยาของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่มีวันที่จะรักษาโลกของความทุกข์ใจให้หายไปได้แต่ถ้าเรา น้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็เหมือนกับการที่เราเอายาของหมอมารับประทานก็ทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ต้องเข้าไปในใจตอนนี้มันไม่ได้เข้าไปถึงใจเข้าไปถึงแค่ความจำเข้าไปถึงเพียงสัญญาที่สามารถที่จะจางหายไปได้ธรรมะที่เราได้ยินได้ฟัง พอเราไม่ได้พิจารณาพอเราออกไปทำภารกิจอย่างอื่นใจของเราก็เอาเรื่องอย่างอื่นเข้ามาภายในใจความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากพระธรรมคำสอนก็จะถูกความรู้อย่างอื่นมากรบไปทำให้หายไปเราต้องเอาความรู้เหล่านี้ให้เข้าไปผ่านตัว สัญญาสังขารวิญญาณให้ได้คือต้องให้เข้าไปถึงตัวใจเลยการที่จะให้เข้าไปถึงตัวใจได้นี่ก็ต้องปฏิบัติเท่านั้นเองถ้าไม่ปฏิบัติเดี๋ยวความรู้ต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังมันก็จะจางหายไปพอเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราก็จะไม่มียาไม่มีธรรมะ มาดับความทุกข์ภายในใจของเราเราจึงต้องปฏิบัติแล้วเราถึงจะได้รักษาโรคของใจคือความทุกข์นี้ให้หมดไปได้ดังนั้นหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องกระทำอะไรกันบ้างถ้าเราอยากจะเข้าสู่ขั้นโลกุตตรธรรมอยากจะเข้าสู่ ขั้นของทำที่ไม่มีวันเสื่อมมีแต่จะเจริญขึ้นไปอยู่ตามลําดับจนถึงขั้นสูงสุดได้เราก็ต้องปฏิบัติกันเราต้องทำทานรักษาศีลไต่เต้าขึ้นไปจากขั้นที่ง่ายขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากขึ้นไปตามลําดับการทำทานนี้ง่ายกว่าการรักษาศีลห้า การรักษาศีลห้านี้ง่ายกว่าการรักษาศีลแปดการรักษาศีลแปดนี้ก็ง่ายกว่าการภาวนาการภาวนาส ม, มถาภาวนาก็ง่ายกว่าการเจริญวิปัสสนาภาวนาจึงต้องทําไปเป็นขั้นๆไปเหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กตอนที่เรายังยืนไม่ได้เดินไม่ได้วิ่งไม่ได้ เรากำลังคานอยู่ก่อนที่เราจะวิ่งหรือเดินได้เราก็ต้องหัดเดินให้ได้หัดยืนให้ได้ก่อนพอเรายืนได้แล้วเราก็หัดเดินพอเราเดินได้แล้วเราก็หัดวิ่งได้อันนี้มันเป็นขั้นเป็นตอนที่เราไม่สามารถที่จะข้ามไปได้การปฏิบัต ธรามของพระเจ้าจึงทรงสอนเป็นขั้นขั้นเพราะแต่ละขั้นจะสนับสนุนขั้นที่ยากขึ้นไปนั่นเองทำให้ขั้นที่ยากนั้นง่ายถ้าเราทำทานแล้วเราจะรักษาศีลได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้ทำทานผู bang, ้ ท, ท, ที่รักษาศีลห้าได้แล้วก็จะรักษาศีลแปดได้ง่ายกว่าผู้ที่ยังไม่สามารถรักษาศีลห้าได้ผู้ที่รักษาศีลแปดได้แล้ว ก็จะสามารถจเจริญสมถะภาวนาได้ง่ายกว่าผู้ที่ยังรักษาสินแปดไม่ได้ผู้ที่ได้สมถะภาวนาได้ความสงบได้ อ, อัปปนาสมาธิแล้วก็จะพิจารณาทำได้ง่ายพิจารณาอริยสัจสี่พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ง่ายกว่า ผู้ที่ไม่ได้สมถะภาวนาจิตยังไม่รวมเป็นอัปปนาถามว่าพิจารณาได้ไั้มได้แต่พิจารณาไม่เป็นกรอบเป็นกรรมไม่เป็นขั้นไม่ได้เป็นอย่างต่อเนื่องเป็นบางครั้งบางเวลาซึ่งไม่พอเพียงกับการที่จะนำเอาไปทาลายกิเลสตัณหาผู้ที่คอยสร้างความทุกข์ให้แก่ใจ ที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาถ้าตำรวจทำงานเพียงบางเวลาส่วนขโมยทำงานตลอดเวลาตำรวจจะไปขับไปจับขโมยได้หมดได้อย่างไรถ้าอยากจะขับจับขโมยให้ได้หมดตำรวจก็ต้องทำงานตลอดเวลาถ้าพอตารวจทำงานตลอดเวลาก็สามารถจับขโมยได้ตลอดเวลา จนในที่สุดก็จะไม่มีขโมยหลงเหลืออยู่ฉะนั้นใดปัญญาก็เป็นเหมือนตำรวจที่จะตามจับขโมยคือกิเลสตัณหาต่างๆที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่ตลอดเวลาถ้าปัญญาไม่ต่อเนื่องอย่างที่หลวงตาสอนว่าปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญา จะไม่สามารถทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปได้จะทำได้ก็ขั้นที่ขั้นกิเลสที่ไม่ได้ทำงานตลอดเวลาทำเป็นวาระวาระทำเป็นภักเป็นช่วงความอยากบางอย่างมันก็ไม่ได้ตลอดมันไม่เกิดตลอดยี่บสี่ชั่วโมงมันเกิดตามตามวาระของมันถ้ากิเลสแบบนั้นปัญญาที่ไม่เป็นปัญญาอัตโนมัต ไม่เป็นสมาสติมาาปัญญาก็ยังพอทํำลายได้เช่นขั้นของสาที่ต่ํากว่ามมาสติมาาปัญญาเช่นขั้นของพระโสดาบันสกีดาคามีอนาคามีความอยากต่างๆมันไม่ได้ทํางานตลอดเวลาเหมือนขั้น ข, นของอพระอรหันขั้นที่จะขั้นอารหันต์ต่ำมากเนี่ย กิเลตัณหาทํางานตลอดเวลาสติปัญญาจึงต้องเป็นสติปัญญาแบบอัตโนมัติทำงานตลอดเวลาคอยจับกิเลสตัณหาที่ทำงานอยู่เรื่อยๆนี่คือเรื่องของอทำขั้นต่างๆที่จำเป็นต่อการดึงใจให้ออกจากกองทุกข์ เราถึงควรที่จะกระทาไปตามขั้นตามตอนทําจากน้อยไปหามากในแต่ละขั้นก็มีจำนวนที่เราสามารถเพิ่มขึ้นไปได้ตามลำดับตามกำลังของเราขั้นทานเราก็ทําจากน้อยขึ้นไปหามากได้ขั้นศีลเราก็ทําจากน้อยขึ้นไปหามากได้ขั้นภาวนาเราก็ทําจากน้อยขึ้นไปหามากได้ ไม่ใช่ว่าเราจะทำทีเดียวให้ครบถ้วนบริบูรณ์เลยในทันทีทันใดยกเว้นในกรณีที่เราได้สะสมบุญบา ร, รมีมาอย่างโชคชนจนมีความพร้อมที่จะทำอย่างเต็มที่เลยอย่างพระพุทธเจ้าทรงทำทานอย่างเต็มที่เลยด้วยการสละพระราชสมบัติ แล้วก็ส่งออกบําเพลยรักษาศีลอย่างเต็มที่จเจริญสมถะภาวานาวิปัสสนาภาวานาอย่างเต็มที่คือตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยจะทรงภาวานาเป็นหลักเลยศีลก็รักษาไว้ถ้ามีการบําเพ็ญภาวานาแล้วเรื่องศีลนี่ก็จะไม่มีการที่จะไปละเมิดนะเพราะการภาวานานี้ไม่ต้องไปอ ทำร้ายหรือสร้างความเสียหายให้กับใครไม่ต้องไปทำบาปดังนั้นถ้าเรายังไม่สามารถที่จะทำได้เต็มร้อยเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านทำกันเราก็ต้องสร้างจากน้อยไปหามากเอาวันละนิดวันละหน่วยก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเลย เช่นชาวบ้านเขาก็จะทำบุญกันทุกวันใส่บาทกันทุกวันมีพระมาทางบ้านเขาก็เตรียมตัวเตรียมข้าวเตรียมอาหารเวลาพระมา ก, ก็ใส่บาทเขาก็ได้ทำทานไปวันละเล็กวันละน้อยแล้ววันไหนที่เขามีศรัทธาที่อยากจะทำมากเขาก็ทำเพิ่มมากขึ้นไป ทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆทำไปตามกําลังของเราทําแล้วเรามีความสุขเห็นคุณประโยชน์ของการทําทานเราก็อยากจะทํามากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็รักษาศีลควบคู่ไปด้วยศีลเราก็รักษาศีลห้าไปถ้ายังรักษาศีลห้าไม่ครบก็รักษาไปเท่าที่เราจะรักษาได้ก่อน แล้วถ้าเราทำทานมากขึ้นไปใจเรามีความสุขมากขึ้นมีความเมตตากรุณามากขึ้นเราก็จะสามารถรักษาศีลให้ได้มากขึ้นไปจากศีลห้าเราก็จะสามารถรักษาศีลแปดได้เพราะใจเรามีความสุขจากการทำทานจากการรักษาศีลทำให้ใจเราไม่หิวไม่โหยกับความสุขทางร่างกายมากจนเกินไป ทำให้เราสามารถรักษาศีลแปดได้ในวันพระในเบื้องต้นก็รักษาศีลแปดในวันพระไปก่อนควบคู่กับการเจริญสมถะภาวนาหาที่สงบหาที่วิเวกที่ไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจไม่มารบกวนการเจริญสมถะภาวนาการเจริญสติ พอเราจะริญนสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเห็นคุณค่าของการรักษาศีลแปดของการจเจริญสมถะภาวนาของการเปรียบไเวกเราก็จะเพิ่มวันเวลาให้กับการปฏิบัติให้มากขึ้นลดภารกิจทางด้านการหาความสุขทางร่างกาย ด้วยการหาเงินหาทองเพื่อที่มาซื้อซื้อความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายเราก็จะลดการกระทำเหล่านี้ลงไปเพราะเราได้ความสุขจากการภาวนาที่มีน้ำหนักมากกว่าที่มีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้รับผ่านทางร่างกาย เราก็จะทํางานน้อยลงหาเงินน้อยลงใช้เงินน้อยลงหาเงินใช้เงินเท่าที่จําเป็นก็คือเพื่อดูแลรักษาร่างกายนี้เท่านั้นให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ให้ร่างกายมีกําลังวังชาอยู่อย่างปกติสุขเพื่อที่จะได้ใช้ในการบําเพ็ญรักษาศีลแปล ในการบำเพญสมถะภาวนาพอเราบำเนพนญภาวนามากเข้ามากเข้าจิตก็จะสงบมากเข้าและจะสงบได้เต็มที่ในที่สุดจิตก็จะรวมเป็นอัปปนาพอจิตรวมเป็นอัปปนาแล้วทีนี้เวลาเราพิจารณาทรทมที่เราพิจารณานี้มันจะเข้าไปฝังอยู่ในใจ มันจะไม่ไปอยู่ที่สัญญาความจำํำมันจะเข้าไปอยู่ในใจเพราะมันจะเห็นธรรมเหล่านี้ชัดเจนเพราะธรรมเหล่านี้มันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในใจนั่นเองอ่าใจเราไม่เข้าเข้าไปไม่ถึงใจใจเราถูกอขันขวางเอาไว้ใจของเรานี้ติดอยู่กับขันติดอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงมองไม่เห็น ทมที่แสดงอยู่ในใจคือทุกสมุทัยนี่โรธมากพอเรามีสมะถะภาวนาแล้วเราจะเลืนปัญญาพิจารณาธรรมต่างๆมันก็จะเป็นมากขึ้นมาในใจของเรานี่มีสมุทยัยเป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองใจเรามาตลอด ถ้าเราต้องการทำลายสมุทยัยผู้ที่สร้างความทุกข์ต่างๆให้ก่ใจเราก็ต้องสร้างมรรคขึ้นมามรรคก็คือปัญญาคือเห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเห็นว่าร่างกายของทุกทุกคนนี้ไม่สวยไม่งามสวยก็อยู่เฉพาะเป็นบางส่วนบางเวลา เช่นเวลาอาบน้าแต่งตัวแต่งหน้าทาปากก็พอที่จะดูได้แต่เวลาอื่นเวลาที่ตื่นขึ้นมาใหม่ๆไม่ได้ล้างหน้าล้างตาหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาตายไปร่างกายนี้ไม่น่าดูเลยหรือถ้าจะดูภายในของร่างกายดู ส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังถ้าสามารถมองเห็นส่วนนั้นได้ก็จะเห็นว่ามันไม่น่าดูไม่สวยไม่งามเลยอันนี้คือปัญญาที่เราต้องน้อมเอาเข้าไปในใจให้ได้จะเข้าไปในใจได้ก็ต้องใจต้องเป็นใจที่สงบเป็นอัปปนาถึงจะเข้าไปถึง ในใจเพื่อที่จะได้เอาไปต่อสู้กับสมุทยัยคือตันหาทั้งสามได้ตัญหาทั้งสามนี้มันอยู่ในใจของเรามาตลอดแต่มรกของพระพุทธเจ้านี้ยังอยู่ข้างนอกอยู่ธรรมของพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังนี้ยังไม่ได้เข้าไปสู่ใจเพียงแต่ไปอยู่ที่ขันไปอยู่ที่สัญญาเราก็ต้องดึงมันเข้าไปสู่ใจ จะดึงเข้าไปสู่ใจได้ก็ต้องเป็นใจที่มีความสงบเวลาออกจากความสงบมาแล้วก็พิจารณาพิจารณาใตรักพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาเกิดตัณหาขึ้นมาเราก็จะสามารถเอามรคนี้มาใช้งานได้เลยถ้ามรคนี้ อยู่ในใจเราตลอดเวลาเป็นปัญญาที่เราสามารถเรียกใช้ได้ทันทีทันใดเราต้องพิจารณาอยู่เนืองๆมันถึงจะอยู่ในใจของเราไม่จางหายไปถ้านานๆนพิจารณาสักครั้งหนึ่งมันจะลืมได้แต่ถ้าเราพิจารณาอย่างต่อเนื่องนี้มันจะไม่ลืมในการที่จะพิจารณาอย่างต่อเนื่องได้นี้ ใจต้องมีความสงบเพราะเวลามีความสงบใจจะไม่ถูกกิเลสตัณหาดึงไปใช้งานนั่นเองเพราะกิเลสตัณหาได้ถูกสมาธิหรือความสงบนี้ตัดกำลังลงไปจนไม่มีกำลังมากพอที่จะดึงใจให้ไปคิดในทางของกิเลสตัณหาได้ทำให้ใจนี้สามารถคิดในทางธรรมได้ คิดในทางปัญญาได้เนี่หละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเรามีความสงบแล้วจิต ด, ดวมแล้วถ้าจิต ด, ดวมแล้วนี้การพิจารณาปัญญานี้จะสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องแต่ก็มีช่วงที่จะต้องหยุดพิจารณาเพราะกำลังหมดกำลังที่จะพิจารณาหมด กิเลสเริ่มออกมาบรบกวนใจความสงบที่ได้จากสมาธิก็จางหายไปได้ถ้าเราพิจารณาทำใช้ความคิดปุุงแต่งไปความสงบก็จะจางหายไปได้พอความสงบจางหายไปกิเลสตัณหาก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นกิเลสตัณหาก็จะเร่งเราไปคิดในทางของกิเลสตัณหา คิดไปในทางลูกเสียงกลิ่นรดโผฏฐะคิดไปในทางลาบยศสรรเสริญคิดไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้คิดอยู่ในเรื่องของตายรักไม่ได้คิดอยู่ในเรื่องของอสุภะถ้าตอนนั้นเราก็ต้องกลับมาเจริญสัมาทิฏฐภาวนาใหม่ดึงใจให้กลับเข้าสู่ความสงบใหม่หลดกําลังของกิเลสตัณหาให้อ่อนลงไปใหม่ เหมือนกับเวลาที่หมอทำการผ่าตัดคนไข้ก่อนที่จะผ่าตัดคนไข้ได้หมอจะ ต, ต้องดมยาวางยาสลบก่อนให้คนไข้สลบไปเพราะถ้าคนไข้ไม่สลบเวลาผ่านี้คนไข้จะดิ้นเพราะมันเจ็บถ้าดิ้นแล้วหมอก็จะไม่สามารถทำงานได้อย่างสะดวก จึงต้องทำให้คนไข้สลบก่อนด้วยการ ด, ดมยาสลบแล้วก็ต้องคอยควบคุมให้คนไข้นี้สงบอยู่อย่างต่อเ น, นื่องเพราะถ้ายาหมดสภาพไปคนไข้ก็จะฟื้ขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาก็จะไม่สามารถทำการผ่าตัดได้ต่อก็ต้องให้คนไข้สรบกลับไปใหม่ก่อน อันใดาการพิจารณาวิปัจนาเจริญปัญญาก็เป็นลักษณะทําการผ่าตัดให้แก่ใจนั่นเองใจที่ยังมีกิเลตอยู่เนี่ยจะไม่ชอบพิจารณาตายรักจะไม่ชอบพิจารณาอสุภะอย่าบังคับยังไงมันก็ไม่ชอบเหมือนกับคนไข้ที่ไม่ยอมให้หมออทําการผ่าตัดถ้ายังไม่สงบดังนั้น การที่จะพิจารณาตายรักพิจารณาอสุภะได้อย่างต่อเนื่องนี้จําเป็นจะต้องมีใจที่สงบที่ไม่ดิ้นไม่ต่อต้านไม่ไม่ไม่ไม่หลีกไม่ไม่หลีกนีจากการพิจารณาหลีกนีไปคิดทางเรื่องอย่างอื่นถ้าใจไม่สงบนี้พิจารณาได้เดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะถูกกิเลสตัณหา เดินไปพิจารณาเรื่องอื่นแทนเมื่อไม่พิจารณาอย่างต่อเนื่องมันก็เห็นไม่ชัดจําไม่ได้พอถึงเวลาจะใช้ก็ไม่สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้แ้่าสามารถพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาถ้าพิจารณาไม่ได้ก็เข้าไปในสมาธิถ้าอย่างนี้เวลาต้องการใช้ปัญญาก็จะสามารถใช้ได้ทันที นี่คือท่านของปัญญาเป็นอย่างนี้ถึง่ะเรียกว่าเป็นปัญญาจริงเป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้เพราะทันต่อเหตุการณ์นั่นเองทันต่อกิเลสตัณหาพอกิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมาปั๊บตายรักก็จะออกมาต่อสู้ทันทีอสุภะก็จะออกมาต่อสู้ทันทีพอมีคู่ต่อสู้ที่มีกําลังมากกว่ากิเลสตัณหาก็ต้องยอมแพ้ไป หยุดไปในที่สุดดังนั้นขอให้พวกเราพยายามเดินตามขั้นตามตอนที่พระพุทธเจ้าและครูบาจารย์ทั้งหลายท่านสอนกันอย่าไปฟังพวกที่ไม่ได้ศึกษไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังพวกที่ศึกษาแล้วก็มาสอนพวงนี้มักจะสอนไปตามความอยากของจิเลสตตนา กิเลสตันหาไม่ชอบนั่งสมาธิไม่ชอบทำใจให้สงบเขาก็จะสอนว่าไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิไม่ต้องทำใจให้สงบเจริญปัญญาได้เลยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะสอนส ม, มาสมาธิไว้ทาไมเราจะเชื่อใครดีเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อครูบาอาจารย์หรือเราจะเชื่อพวกที่ สอนว่าไม่ต้องเจริญสมาธิกันอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องค่ายควรต้องพิจารณาหรือถ้าเราเชื่อพวกที่สอนไม่ให้นั่งสมาธิล้เาเราดูการปฏิบัติของเราว่าเป็นอย่างไรผลมันเป็นอย่างไรตัดกิเลสตัณหาได้บ้างหรื อ, อยังพวกที่ชอบ ใช้ปัญญาโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธินี้ต้องพิจารณาให้รอบคอบความจริงใครครบพูดอะไรก็ไม่ปฏิเสธหรือไม่รับไม่ควรจะปฏิเสธหรือไม่ควรจะรับควรที่จะนําเอาไปพิสูจน์อยู่เขาบอกวไม่ต้องนั่งสมาธิเจริญปัญญาได้เลยเราก็ลองไปเจริญปัญญาดูลองไปพิจารณาตายรับดูสัพเพ ธรรมาอนัตตาดูทำทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตนพิจารณาแล้วเราตัดกิเลสตัณหาได้หรือเปล่าแล้วเราลองไปทำตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแบบที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนดูว่าเป็นอย่างไรบ้างอย่างหลวงตาตอนที่ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นครั้งแรกเลยมืที่หลวงหลวงปู่มั่นสอนหลวงตา ท่านก็สอนว่าท่านมาหาท่านเป็นผู้มีความรู้มากแล้วท่านเป็นมหาสามประโยคนได้เรียนรู้ธรรมของพุทธเจ้ามาอย่างโชคชนแต่ธรรมของพุทธเจ้าตอนนี้มันไม่เป็นประโยชน์ในการที่จะมาฆ่ากิเลสตัณหามาดับความทุกข์ใจตอนนี้สิ่งที่ท่านควรจะทําก็คือทาใจให้สงบก่อนเตรียมภาชนะรองรับ พระธรรมของพระพุทธเจ้าก่อนออนนี้ภาชนะของท่านนี้ยังไม่พร้อมที่จะรองรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพพุทธเจ้าไม่สามารถเข้าไปถึงใจได้เพราะใจไม่สงบใจไม่สงบใจไม่สามารถพิจารณาธรรมได้อย่างต่อเนื่องธรรมที่ได้ยินได้ศึกษาจากพระคัมภีนี้เป็นสัญญาความจำไม่ใช่เป็นความจริง ก็คือศึกษาแล้วก็ท่องจำไว้แล้วถ้าไม่จำถ้าไม่ได้เอามาใช้เดี๋ยวก็ลืมได้เพราะถึงเวลาจะใช้จริงๆก็ใช้ไม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงตาหลวงตาท่านเอามาเล่าให้ฟังตอนที่ท่านได้ไปขออยู่ปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนเลยว่า ตอนนี้อย่าเพิ่งเอาปัญญามาใช้ตอนนี้มาทําใจให้สงบก่อนทําใจให้สงบแล้วค่อยพิจารณาทาทั้งหลายที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมาแล้วมันจะเข้าไปสู่ในใจมันจะเป็นอาวุธที่ไว้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้แต่ถ้าใจไม่สงบนี้ทำที่ได้ศึกษามานี้ยังไม่อยู่ในใจ ไม่สามารถที่จะไปฆ่ากิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจได้ดังนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าและพยายามปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่าข้ามขั้นตอนอย่าใจร้อนปฏิบัติต้องใจเย็นๆอย่าปฏิบัติ ด, ด้วยความอยากปฏิบัติ ด, ด้วยเหตุด้วยผล เหตุก็คือต้องทําอะไรก็ทําไปส่วนผลนี้เดี๋ยวมันตามมาเองไม่ต้องไปอยากให้มันเกิดถ้าอยากให้มันเกิดเร็วก็ให้เหตุมันเร็วให้เหตุมันมากไว้สร้างเหตุให้มากแล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นมาเองดังนั้นก็ขอให้เราทําตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนทาทานรักษาศีลศีลห้าศีลแปด แล้วก็สรรมถภาวนาเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบออกจากความสงบก็เจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาก่อนจะเจริญปัญญาก็ขอให้จิตเป็นสงบให้มันมีความสงบแบบต่อเนื่องคือสงบได้ทั้งวันก่อนยิ่งจะดีใหญ่ตอนที่ยังไม่สงบอย่างต่อเนื่อง เวลาออกจากสมาธิมาก็จเจริญสติต่อคอยรักษาใจรักษาความสงบไว้แล้วพอนั่งได้ก็กลับไปนั่งใหม่ให้จิตสงบใหม่เอาเอาเรื่องของสมาธินี้ให้มันนั่นก่อนให้มันชานานก่อนพอสมาธิมันนั่นมันชานานแล้วจนเหมือนกับว่าเริ่มติดสมาธิแล้วมันนั้นค่อยมาออกทางวิปัสสนาออกทางปัญญาต่อไป แล้วการเจริญปัญญามันก็จะได้เป็นไปอย่างไปอย่างต่อเนื่องเวลาเหนื่อยหรือว่ากลากำลังของความสงบหมดก็หยุดพักเข้าไปในสมาธิสลับกันไปเบื้องต้นก็เอาสมาธิอย่างเดียวก่อนเอาให้มันจำนานเอาให้มันแน่นเข้าได้ตลอดเวลาทุกเวลาแล้วก็อยู่ได้นาน แล้วค่อยออกมาทางปัญญาสลับกับการขับเข้าไปในพักในสมาธิทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วธรรมก็จะเข้าไปอยู่ในใจแล้วก็จะเข้าไปทำลายกิเลสตัณหาที่อยู่ภายในใจให้หมดไปได้ก็คิดว่าตอนนี้ก็จะพักก่อนเพราะมีฝนจะตกเปื่ยญาติโยมจะต้องขยับขยายกันก็ขอ ยุติไว้เพียงเท่านี้และขออนุโมทนาให้ผ่อนยะทาวาเรวะหาปุราปาริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานางอุ ป, ปกัรปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีคายุโกภาอภิวัฒนสีลิศนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรมาวทานติ อายุวนโนสุ ข, ขังพาลางัง ต, ตอนนี้ฝนตกก็ต้องนั่งสมาธิกันตามธรรมเนียมเพราะว่าคุยกันก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงเดี๋ยวๆก็หยุดฝนช่วงนี้คงไม่นาน15นาที20นาทีก็น่าจะหยุดเห็นตอนนี้เราก็เอาเวลานี้มานั่งสมาธิทำใจให้สงบกันนะ เพื่อเวลาที่เราสนทนาธรรมกันจะได้มีอัธรดใจที่สงบแล้วจะฟังทำได้ชัดเจนกว่าใจที่ไม่สงบขนาะดวิธีไหนก็ทำไปตามวิธีของเราก็แล้วกันตอนนี้ก็เสียงก็พอจะเงียบลงพอที่จะสนทนาธรรมถามตอบปัญหาธรรมกันได้เดี๋ยวก็จะเปิดโอกาสให้ ท่านที่อยากจะถามปัญหาได้ถามได้หรือจะผ่านทางอินเทอร์เนต็ตในศาลานี้มีใครอยากจะถามปัญหาไหมหรือใครอยากจะเสนอแนะอะไรกราบนะมัตการพระอาจารย์ค่ะเมื่อมนุษย์เราตายมีทางไปเจ็ดทางถามว่าทางที่สามไปสวรรค์ ต้องมีกําลังของฮิริโอตปะอยากให้พระอาจารย์อธิบายทางที่สามคะ่ะคำว่าฮริโอตปะก็แปลว่าความอายความกลัวผลของบาปก็คือถ้าเรามีฮิริโอตปะเราก็จะรักษาศีลห้าไม่ทำบาปถ้าเราไม่ทำบาปเราตายไปเราก็จะไปสู่สุคติคือตั้งแต่ระดับมนุษย์ขึ้นไป ถ้าเราทาเรารักษาศีลห้าได้แต่เราไม่ทำทานเรายังมีความตะหนียยังหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่แต่เราไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราไม่ทำบาปทำกรรมแสดงว่าบุญไม่ทำบาปไม่ทำเมื่อบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันก็ไม่สามารถดึงใจไปทางของบาปด้วยทางของบุญได้ บุญก็ไม่สามารถดึงไปสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงไปอบายได้ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าทําบุญด้วยไม่ทําบาปด้วยบุญก็จะมีกําลังมากกว่าบาปตายไปบุญก็จะดึงไปสวรรค์ถ้านั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ก็ดึงไปสู่พรหมโลกค่ะ คำถามต่อไปค่ะจากคุณเอทีซีถนอมรามค่ะผมปฏิบัติระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ผมอยู่กับร่างทรงองค์เจ้าผมปฏิบัติ ด, ด้วยการภาวนาพุทโธในใจอย่างนี้แบบนี้ได้ไหมครับขอพระอาจารย์เมตตาด้วยครับก็ไม่ทราบว่าปฏิบัติเพื่ออะไรอยากจะได้อะไร ถ้าอยากจะเป็นร่างทรงก็เราก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยไปทางนั้นทางของพระพุทธเจ้านี้ท่านให้ทำใจให้สงบเพื่อจะได้มองเห็นธรรมเพื่อที่จะได้ดึงธรรมเข้าสู่ใจได้แต่ถ้านั่งสมาธิเพื่อรักษาการเป็นร่างทรงอยู่อันนี้ก็เป็นคนละทางกับทางของพระพุทธศาสนา จึงไม่กล้าตอบคำถามนี้ค่ะคำถามต่อไปค่ะจากคุณหญิงอุทัยวันค่ะขอกราบเรียนถามค่ะคุณแม่อายุ67เป็นห่วงลูกจึงสอนลูกว่าการครบเพื่อนจะต้องต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าลูกเสียสละลงแรงหรือออกแรงมากกว่า เพื่อนก็จะมีผลกระทบต่อเวลาและอนาคตของลูกแต่หากลูกมีความคิดว่าเราจะเสียสละลงแรงมากกว่าเพื่อนตามกาลังและความสะดวกตามโอกาสเพื่อฝึกให้ใจเข้มแข็งเช่นนี้ได้ไหมคะก็อยู่ที่ผลที่เราต้องการว่าเราต้องการผลทางไหนถ้าเราต้องการผลทางจิตใจ การเสียสละนี้ก็จะได้รับผลมากได้ได้จากะได้ได้ได้บุญแต่ถ้าเราไม่ต้องการจะเสียสละมากเพราะเราต้องการที่จะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเราก็จะได้อย่างอื่นแทนเช่นถ้าเราอยากจะเอาเวลาไปเรียนหนังสือเราก็จะได้เรียนคะแนนดีเอาเวลาไปหาเงินหาทอง เราก็จะได้เงินทองเพิ่มมากขึ้นแต่เราก็จะได้บุญน้อยลงไปดังนั้นเราก็ต้องเลือกว่าเราต้องการผลทางไหนถ้าเราต้องการผลทางบุญทางกุศลการเสียสละนี้ก็จะทำให้เราได้บุญได้กุศลมากขึ้นคำถามต่อไปค่ะจากคุณดาวพมรบุตรค่ะจำเป็นหรือไม่ในการที่ต้องนั่งสมาธิ ให้เก่งถึงขั้นตัวหายไปไม่มีตัวตนว่างกับการที่เราพิจารณาว่าร่างกายเป็นสัจธรรมว่าคือดินน้ำลมไฟตายไปกลับคืนสู่ธรรมชาติไปทุกอย่างคือสมมุติผลลัพธ์สองประการได้ผลเท่ากันไหมคะบางครั้งคนที่นั่งสมาธิเก่งมากเห็นโน่นเห็นนี่ในสมาธิ ก็ยังผิดสินห้าอันนี้ก็ต้องไปทดลองดูเอาก็แล้วกันคำถามต่อไปค่ะดิฉันและครอบครัวได้ถวายเครื่องไัยทานที่วัดแห่งหนึ่งที่สาวก็ถามว่าหลังจากที่เราถวายวัตถุสิ่งของเสร็จแล้วพระไม่ต้องให้พรได้ไหมพระก็ตอบว่า พระไม่ต้องให้พรก็ได้เพราะญาติโยมได้ทำบุญสำเร็จแล้วจึงอยากถามพระอาจารย์พระควรให้พรใหมคะก็อยู่ที่โยมอยากจะได้พรและอยากจะได้บุญนะแต่อยากจะได้บุญก็ไม่ต้องให้แต่อยากจะได้พรก็ต้องให้คำถามต่อไปค่ะจากคุณทีรพัฒย์ยานโสพโน ขอเรียนถามพระอาจารย์การเข้าถึงพระโสดาบันนั้นที่ว่าต้องละต้องละสักกายทิฏฐินั้นต้องปฏิบัติอย่างไรและโสดาบันนั้นยังมีโลภโกรธหลงอยู่หรือไมก่การละสักกายะทิฏฐิก็คือการมองเห็นร่างกายของเราว่าเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นะร่างกายคนอื่นเวลาเขาเจ็บเราไม่ทุกข์ด้วยใช่ไหม ร่างกายของคนเดินตายเราไม่ทุกข์ด้วยใช่ไหมร่างกายของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าอยากจะเป็นโสดาบันก็คือต้องมองเห็นร่างกายของเราว่าไม่ใช่ตัวเราของเราส่วนพระโสดาบันนี้ก็ยังมีความโลภมีความหลงในระดับที่สูงกว่าที่ยังไม่ได้ละได้พระโสดาบันก็มีความโลภทางกามอารมณ์ยังอยากจะร่วมหลับนอน อยากมีแฟนอยากมีสามีอยากมีภรรยาอยู่เพราะยังไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายยังไม่เห็นอาการสาสิบสองยังไม่เห็นสภาพของศพของร่างกายที่ตายไปกลายเป็นศพเป็นอย่างไรภาโสจาบัญก็ยังต้องมาแก้ปัญหานี้อยู่คำถามต่อไปค่ะจากคุณประพัฒน์สแสงหาทรั์ผมได้กําหนดจิต ดูลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งนอนหลับปรากฏว่าเราได้รับรู้สภาวะของจิตที่กําลังเข้าสู่ภวังลงเล็บหรือหลับแต่รับรู้ได้ช่วงเซี่ยวนาทีอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าที่รับรู้นั้นเป็นสภาวะจริงหรือความฝันครับถ้ากุไม่รู้มันก็ฝันนะมั้งถ้ามันรู้จริงมันก็ไม่ฝันนะ คำถามต่อไปจากท่านป๊อปแห่งเอเชียค่ะขอเรียนถามว่าสภาวะอันเป็นบร ม, มสุขถาวรคือสภาวะที่ใจเป็นอุเบกขาถาวรที่มีแต่ตัวรู้ปราศจากตัวหลงใช่ไหมครับใช่คำถามต่อไปค่ะจากคุณกนกพรภัยสารอัศวเสนีอ่านหนังสือหลวงตามหาบัว ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมแก่สัตว์โลกตามความอยากมีอยากเป็นของท่านดิฉันจึงอยากถามว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมแก่สัตว์โลกตามภะวะตัณหาของพระองค์ใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าและพระอรหันยังไม่สิ้นตัณหาหรือคะอันนี้ ครับามฟังแล้วยังไม่ไม่เข้าใจความหมายของคําถามไม่อยากจะตอบเนขะียนมาใหม่ก็แล้วกันเขียนให้มันชัดหน่อยว่าอยากจะถามอะไรกันหน่คําถามต่อไปนะคะจากท่านเดิมคุณกนกพรค่ะพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ท่านสิ้นกิเลสแล้วแสดงว่าท่านสิ้นราคะโทสะโมหะด้วยหรือเปล่าคะสิ้นแล้วเหมือนกันราคะโทสะโมหะ ความโลภโกรธหลงความอยากในกามกามาตัานหาภาวะตันหาวิภาวะตันหานี่ก็เป็นพวกเดียวกันนั้นะท่านไม่มีแล้วอยู่ในใจของท่านต่อจากคำถามเดิมกิเลสกับตันหาต่างกันอย่างไรคะก็ต่างกันที่ชื่อนะ <c oughs> <c oughs> แต่ตัวเดียวกันคําคำถามต่อมาจากท่านเดิมค่ะ ปกิเลสกับกิเลสต่างกันอย่างไรคะก็ตัวเดียวกันแหละต่างกันที่เชื่อคําำถามต่อมาค่ะมีพระรูปหนึ่งบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงมีทุกข์เมื่อคราวที่พระองค์ทรงห่อพระโลหิตแต่ความทุกข์จะเกิดในจิตฝ่ายอากุศลไม่สวยงามจึงอยากถามว่า พระพุทธเจ้าทรงมีราคะโทสะโมหะหรือคะอสแสดงว่าพระพุทธเจ้ายังคงโกรธเกลียดชังอยู่หรือคะไม่หรอกพระพุทธเจ้าไม่มีความทุกข์ในใจแต่มีความทุกข์ทางร่างกายเหมือนพวกเราร่างกายของพระพุทธเจ้ากับร่างกายของพวกเรานี่ไม่ต่างกันเวลาถูกเข้าตีหัวก็เจ็บเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่เราเจ็บใจแต่ท่านไม่เจ็บใจอ ท่านให้อภัยท่านไม่โกรธไม่แค้นอย่างพระเทวทัตนี้ท่านไม่มีความคิดกอธแค้นกรธเคืองแต่อย่างใดใจของพุทธเจ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีราคะโทสะโมหะค่ะคำถามสุดท้ายค่ะจากคุณวีวีหันสวัสด์ในการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติของเราหนูเคยเข้าใจว่า เราจะสามารถยึดพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนอัตตาหิอั ต, ตโนนาโถแล้วเรายังจะยึดไตรสารนาคมเป็นที่พึ่งได้อยู่หรือเปล่าคะเราควรวางใจให้ถูกอย่างไรคะคือเราก็เป็นเหมือนกับคนที่ไม่มียาไม่มีผู้นำทาง หรือว่าเรามองไม่เห็นทางตาเราบอดตอนที่ตาเราบอดเราก็ต้องอาศัยคนที่เขาตาดีพาเราไปรักษาตาที่โรงพยาบาลพอเรารักษาตาเสร็จแล้วตาเราหายแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งคนที่พาเราไปไหนมาไหนอีกแล้วเราก็เป็นที่พึ่งของเราทำก็อย่างนี้ตอนนี้เราไม่มีธรรมอยู่ในใจเราใจเรามืดบอด มองไม่เห็นทางที่นําไปสู่การดับของความทุกข์ได้เราก็ต้องอาศัยคนที่เขารู้จักทางสอนให้เร า, เ, าเดินทางไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมองเห็นทางได้ด้วยตนเองพอเราถึงจุดหมายแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยคนนําทางอีกต่อไปแต่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนี้มันก็เป็นเรื่อง ที่ต้องมีทั้งสองส่วนที่มีก็คือต้องอาศัยคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมีอาศัยตัวเราเองในการปฏิบัติถ้าเราเพียงแต่ให้พระพุทธเจ้าสอนเราแต่เราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุผลที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบรรลุได้ดังนั้นมันไม่ขัดกันถ้าเรารู้จักเขาเข้าใจความหมายเขาเลืด ห, หน้าที่ของแต่ละส่วน หน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสง์ก็คือบอกทางสอนทางสอนวิธีของการปฏิบัติเพื่อให้เราได้พ้นทุกข์ส่วนเรานี่ก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองพระพุทธเจ้าพาพธรรมพระสงฆ์ปฏิบัติให้เราไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องมีทั้งพุทธทางธรรมังสังขังเป็นสระเป็นที่พึ่งและต้องมีตัวเราเองเป็นที่พึ่งเพราะเราต้องปฏิบัติ ธรรมของพระพุทธเจ้าเราถึงจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อคําถามหมดแล้วมีไม่าตอนนี้มีอ่ขอส่งไม้มาหน่อยคือ อ, อท่านอาจารย์เคยแม่ตาอธิบายลูกแล้วแต่ว่าลูกยังไม่เข้าใจท อ, อ, องแทงะใช่ไหมคือคือท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเป็นระดับโสดาบันเนี่ยจะเ อ, อเข้าใจถึงการเกิดดับแล้วแต่ว่า ยังมีราคาคือยังเห็นความสวยงามคือลูกไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดเ อ, อเราเข้าใจว่ามันมีการดับไปเนี่ย อ, อมันมันก็ความสวยงามก็เราก็น่าจะเข้าใจว่ามันไม่เพียงคือลูกยางไม่ออกระหว่างระหว่างสองตัวเนี้เจ้าค่ะท่านอาจารย์ว่าทําไมตัวหนึ่งเห็นแต่อีกตัวหนึ่งไม่เห็นเจ้าค่ะก็เห็นตัวเดียวเห็นความตายไม่เห็นความไม่สวยงามเวลคนตายเราเคยไปเปิดลงศพเขาดูว่ะ แต่เรารู้ว่าเขาตายรู้ว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้แล้วแต่เราไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายของเขาเพราะเราไม่ยอมไปดูศพของเขาถ้าอยากจะดูความไม่สวยงามของเขาก็าาต้องไปดูศพของเขาอีกขั้นหนึ่งถึงจะรกอีกขั้นหนึ่งได้เช่นสามีคนตายคนยังคิดถึงเขาอยู่เวลาคนดูภาพก็ดูภาพที่ตอนที่เขามีชีวิตอยู่นึกเขาที่นึกถึงเขาที่ไลายก็ยังรักยังชอบยังหวงก็อยู่ แต่ถ้าคุณไปดูตามที่เขาตายแล้วคุณอาจจะไม่รักไม่ชอบเขาอีกต่อไปคุณต้องพิจารณาสุภาอะสุภาะก็คือต้องดูสภาพของร่างกายที่ตายไปแล้วตายสามวันเป็นอย่างไรตายเจ็ดวันเป็นอย่างไรถ้าเอาไปทิ้งในป่าชา้าถูกแรงถูกกากัดกินถูกสุนัขร่างกายกระจัดกระจายไปเห็น ตับไตเอาไอวัยวะไส้พุงอะไรต่างๆเรา ก, กระทั่งเหลือแต่โครงกระดูกไปที่ใครไปเยี่ยมปา่าช้าก็เพื่อให้ไปเห็นสภาพของร่างกายที่หลังจากที่ตายไปแล้วจะกลายเป็นอย่างไรไปภาพเหล่านี้เรายังมองไม่เห็นกันเราเพียงแต่เห็นว่าไม่หายใจตายแล้วเราก็เลยยังไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายเหรนั้นเราต้องพิจารณา ดูส่วนที่ไม่สวยงามไม่ต้องดูซากศพก็ได้ถ้าเราสามารถดูอวัยวะอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังนี้ก็ได้เช่นไปเปิดหนังสือดูภาพที่เขาชันสูตรศพอย่างนี้ดูอวัยวะต่างๆแล้วดูคนตายศพดูดูศพแล้วดูซิว่าเราดูแล้วจะเกิดอารมณ์ไหม อันนี้แหละคือดูศพกับดูคนเป็นนี่มันมีอารมณ์ต่างกันไหมดูเวลาเขาประกวด ง, งามๆดูแลกับดูคนตายนี่มันมีอารมณ์เหมือนกันหรือเปล่านั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นถ้าเราดูแต่ภาพสวยๆงามๆ ม, มันก็เกิดอารมณ์รักใคร่ขึ้นมาถ้าเรามาดูแต่สร้างศพมันก็จะเกิดอารมณ์ไม่เกิดอารมณ์รักใคร่ขึ้นมา เห็นถ้าเรายังมีอารมณ์รักใคร่อยู่เราก็ต้องมองดูซากศพมองดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายเพื่อที่จะได้เอามาใช้ระงับในการมีอารมณ์รักใคร่แต่เพียงแต่รับรู้ว่าร่างกายเกิดมาแล้วตายนี้ไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้เห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายเพียงแต่เห็นว่าเห็นจุดจบของร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้ตายแล้วทาอะไรไม่ได้แล้ว ไปเที่ยวไปกินไปดื่มเหมือนเมื่อก่อนนี้ไม่ได้แล้วแค่นั้นเองอย่งสามีตายสมมติถ้ามีสามีเท่าตายแล้วเก็บศพไว้นอนต่อได้ไหมศักษามันฮะ <c oughs> หัวลราะทีนี้ใครจะมาย่างไปยกให้เขาไปไมเ <c> ข <oughs> ้าใจไม <c oughs> ถ้าอย่างนั้นหมายควาว่าถ้าเราเข้าใจว่าร่างกายตายไปได้นี่ก็คือว่า เราแค่รู้ว่าว่ามันไปแล้วแต่ว่าเร า, เราหมดสิทธิ์ในร่างนะกายนี้แล้วอมันไม่ใช่เป็นสมบัติของเราแล้วแต่ขนาดความตายเราก็ยังไม่ยอมตายกันาดเพราะสมบัติร่างกายมันเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดในบรรดาสมบัติต่างๆที่เรามีอยู่เพราะถ้าเราไม่มีร่างกายต่อให้มีสมบัติอะไรก็เราก็ไม่สามารถใช้ใช้ประโยชน์กับมันได้ แวเราก็รักร่างกายเรามากกว่ารักอะไรทั้งปวงดังนั้นพอถึงเวลาที่เราจะต้องสูญเสียสมบัติอันล้ำค่านี้ไปเราก็โวยวายทุกข์กันขึ้นมาแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยตามความจริงว่าจะหวงไงจะรักไงมันก็ห้ามมันไม่ได้มันจะต้องตายถ้าไปห้ามไปอยากไม่ให้มันตายมันจะเครียดมันจะทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่ต้องการทุกข์เราก็ต้อง ยอมรับความจริงแล้วก็ปล่อยให้มันตายไปเ <Okay. S 1> มื่อก่อนลุงเล่าว่ามันคู่กันอ่ามันไม่คู่กันนะถ้าถึงสอนเรื่องอนิจจังกับอสุภะเนี่ยอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงเกิดแล้วดับอสุภะก็คือไม่น่าดูไม่สวยไม่งามเอา น, นั้นเป็นงานขั้นต่อไปพอไม่กลัวตายแล้วทีนี้นขั้นต่อไปก็มาดับความไข้เพราะ่ายัง ยังมีชีวิตอยู่มันยังเห็นคนนน้นคนนี้อยู่เห็นก็ยังเกิดอารมณ์อยู่ก็ต้องมาดับอารมณ์นั้นให้ได้เพราะอารมณ์นี้มันทำให้เราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องไปมีคู่ครองพอมีคู่ครองก็ต้องไปทุกข์กับเขาอีกทุกข์กับคู่ครองแล้วก็คุกทุกข์ ก, กับลูกเต้าที่ตามมาอีกเป็นพวงไปเป็นกองทุกข์เป็นพวงไปถ้าเรา ดับการมารมได้เราก็จะอยู่คนเดียวได้ต่ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่าเหวเพราะความเหงาความว่าเหวนี้มันก็เกิดจากการมารมนี่เกิดจากความอยากหาความสุขกับผู้อื่นดันั้นต้องขั้นต่อไปพอได้ผ่านขั้นะละส ก, กายทิฐิได้แล้วก็ต้องเข้าไปสู่ขั้นละการมาราคาะตรลองพิจารณาอสุภะอย่างต่อเนื่อง ทีนี้งานเป้าหมายเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนพิจารณาความตายความเจ็บพอนี่ผ่านไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหากับเราแล้วนี่ปัญหาที่ยังเป็นกับใจอยู่ก็การมารลมละราคะตัณหาก็ต้องพิจารณาสุภาพอยู่เรื่อยมองเห็นไครก็ต้องมองเข้าไปทะลุ ป, ปุกโอ่งมองเห็นสามสิบสองอาการหรือมองเห็นเวลาให้เขาตายไปแล้วถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะดับการมารลมได้ อันนี้เป็นเรื่องของร่างกายบนเรื่องของร่างกายแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องจิตอยูในจิตก็ยังมีกิเลสอยมีมีมีอัตตาตัวตนอยู่มีความยึดติดในความสุขของจิตเองความยึดติดในความสุขก็เหมือนกับยึดติดความสุขของร่างกายพอเรายึดติดกับความสุขเวลามันไม่สุขเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะเราอยากจะให้มันสุขไปเรื่อย เหนกับร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็ทุกขึ้นมาเพราะเราต้องการให้ร่างกายมันไม่ทุกข์ไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยให้มันสบายไปตลอดจิตเราก็เป็นเหมือนร่างกายเหมือนกันเป็นตายรักเหมือนกันตัวไม่ใช่ตัวจิตเองแต่ตัวอาการของที่มันอยู่ในจิตธรรมารมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีสุขมีทุกข์อยู่ภายในจิต มีความสงบมีความฟุ้งซ่านอยู่ภายในจิตอยู่ยังกิเลส ย, ยังไม่หมดก็ต้องเข้าไปทําลายตัวนี้ต่อไปยังถือต่อยังถือตัวถือตนอยู่นะไม่ไม่ยึดติดกับร่างกายแต่ก็ยังถือยึดติดในจิตจิตยังคิดว่าเป็นตัวเป็นต น, ตนอยู่ก็ลองทําลายสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปด้วยปัญญาให้รู้ทันว่าจิตก็เป็นเพียงแต่ผู้รู้ ไม่เป็นตัวเป็นตนตัวตนก็เกิดจากสัญญาสังขารที่เราจําได้หมายรู้แล้วก็มาคิดมาปรุงมาแต่งว่าเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเท่านั้นเองแต่เวลาจิตสงบนงีงเงียบไม่มีความคิดปรุงแต่งมันตัวรู้ตัวตัวตนนี่ก็หายไปเหลือแต่ตัวรู้เพียงอย่างเดียวเนี่เราก็ต้องรู้ว่าตัวจิตที่แท้จริงก็คือตัวรู้ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ควรจะอยู่ที่ตัวรู้อย่าไปอยู่ที่ตัวตน เวลาใครก็ด่าก็ให้รู้เฉยๆแสดงว่าอยู่ที่ตัวรู้ถ้าเขาด่าแล้วตอบโต้ก็แสดงว่าอยู่ที่ตัวตนมันว่ากูนี่วะกูก็ต้องว่ากลับนวะว่าเอออนี่คือการปฏิบัติที่มันละเอียดเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆมันมีขั้นมีตอนจะไปข้ามขั้นไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับเวลาที่เราส่องกล้องจุลทรรศน์ ด, ดูอ่ ดูตัวเชื้อโรคเนี่ยมันเราต้องขยายกําลังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถึงจะเห็นตัวที่มันเล็กที่มันละเอียดลงไปเรื่อยๆตอนต้นเราก็เห็นตัวที่หยาบ ก, ก่อนะพอตัวหยาบหมดแล้วอยากจะดูตัวละเอียดก็ต้องเพิ่มความอความความขยายของกล้องให้มันขยายได้ใหญ่ขึ้นแันในปัญญาขั้นต้นก็ต้องต่อสู้กับปัญญากิเลสตัวหยาบหยาบก่อนกิเลสตัวหยาบหยาบก็อยู่ภายนอก ไปติดกับลาบยศสรรเสริญไปติดกับความสุขทางตาหูจมูกลื่นกายติดกับคนนั่นติดกับคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นไปไตายรักเหมือนกันมันเป็นความสุขชั่วคราวเดียวเดียวแล้วก็หมดไปแล้วก็ต้องหาใหม่หาถ้าไหลก็ไม่อิ่มไม่พอเวลาหาไม่ได้ก็เครียดทุกข์ขึ้นมาหรือเวลาสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปก็เสียอกเสียใจ เห็นว่ามันเป็นกองทุกจะได้ไม่ไปยุ่งกับมันนะการที่จะไม่การที่จะปล่อยได้จิตจะต้องมีความสุขภายในใจก่อนถ้ายังไม่มีความสุขภายในใจไม่ก็ปล่อยไม่ได้เพราะต้องอาศัยความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆแม้นว่าจะเป็นความสุขชั่วคราวก็ยังดีใช่ไหมยังเกินที่สาวสิบเอ็ดเนี่ยความสุขแค่ไม่กี่ชั่วโมงพอพอวันที่หนึ่งผ่านไปมันก็หมดแล้วแล้วก็อดไม่ได้ที่ต้องไปฉลองกันฮ เพรามันไม่มีความสุขใจแต่ถ้าคนมีสมาธิก็ไม่ไปอยู่วัดอยู่บ้านนั่งสมาธิทําใจให้สงบไปสุขกว่าเยอะแยะสบายกว่าเยอะแยะไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปเต้นนั่งเตดกาไม่ต้องไปนับถอยหลังกันบ้าเปลคนนี้มีความสุขก็ไม่ต้องไปร้องแฮปปี้นิวเอียร์หรอก คนมันไม่มีความสุขมันเลยต้องร้องหลอกกันไปหลอกกันมาแลพอตอนเช้าก็ปวดหัวกินเหล้ามากเกินไปนอนไม่หลับบางทีก็กว่ายะเตนก็สายโดนี่แหละคือเพราะเราไม่มีความสุขภายในใจเราเลยต้องไปหาความสุขภายนอกก็เลยไปทุกข์กับของภายนอกกันไปทุกข์กับราบยศจรส่ินทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรส ถ้าเรามีสมาธิมีความสงบร่างไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะหมดความหมายไปเราก็ปล่อยมันได้ปล่อยข้างนอกได้เราก็มาปล่อยตัวที่ยากขึ้นตัวที่ยากขึ้นก็คือร่างกายกับความรู้สึกความเจ็บปวดของร่างกายที่เรายังเ ย, ยังกลัวมันอยู่เราก็ต้องพิจารณาว่ากลัวยังไงมันก็ต้องเป็นแต่ถ้าเราทำใจดีสู้เสือทำใจเฉยๆไว้แล้วเราจะไม่เจ็บ เจ็บที่กายแต่ไม่เจ็บที่ใจเราต้องการดับความทุกข์ที่ใจเราดับความทุกข์ที่กายไม่ได้ความทุกข์ที่ร่างกายไม่รุนแรงเหมือนความทุกข์ที่ใจถ้าเราดับความทุกข์ที่ใจได้แล้วความทุกข์ที่ร่างกายจะไม่เป็นปัญหาอันนี้ก็เป็นขั้นของพระโสดาบันมาขั้นของพรสกิดาคามีนะคามีก็มาตัดกับความอยากหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่น อันนี้ก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายของผู้อื่นของคนที่เราข้างคข้หลงไหลดูว่าสวยจริงหรือเปล่างามจริงหรือเปล่าดูส่วนที่ไม่สวยบ้างสิไม่ยอมมองกันพอมองแล้วมันก็จะมันอยู่ใต้ผิวหนังนี่นีหน้าเราเนี่ถ้าเราเอาหนังออกมันมีอะไรอยู่ข้า ง, างใต้หน้าหรอเลก็มีกระโหลกศรีรษะอีวนนัน มีอะไรมีด้วยกันทุกคนแต่มองไม่เห็นกันใช่ไหมพ ย, ยายามต้องฝึกสอนใจให้หัดมองให้เห็นมองทะลุไปใต้ผิวหนังให้ได้พอเห็นบ่อยๆแล้วมันก็จะเฉยเม่อยมันก็จะไม่ไม่มีความอารมณ์นี่เป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นขัน้นเป็นตอนไปอืถ้าเรายังปล่อยวางส่วนใหญ่ไม่ได้เราจะไปปล่อยวางส่วนละเอียดได้ยไง อิ่มคนที่สอนก็ว่าให้พิจารณาจิตให้อันนั้นก็คือเอาเอาขั้นสูงเลยขั้นพระอรหันเลยปันโสดาสกิรดากามีนี่ไม่ต้องไปสนใจมันถ้าได้อรหันแล้วได้หมดเลยก็ไม่ต้องไปเรียนอนุบาลไปเรียนปริญาเอกกันเลยไม่ดีกว่าได้ใบเดียวได้ครบหมดเลย มันไม่ได้หรอกมันความรู้ความวสามารถมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆยากขึ้นไปเรื่อยๆมันต้องเริ่มจากง่ายขึ้นไปหายากสายเต้าขึ้นไปนอกจากในอดีตเคยเคยเคยจบมาแล้วเคยเรียนผ่านมาแล้วเช่นเคยจบปริญญามาแล้วเนี่ยพอกลับมาเกิดชาตินี้ความจำยังจำได้อยู่ค็เป็นเด็กกาลชริยะนยเด็กเมื่อก่อนเนี่ยจบปริญญาได้ในขณะอายุแค่สิบเอ็ดสิบสองขวบเนี้ย อันนี้เพราะว่าความจำเขาดีเขายังจำได้อยู่ในทางธรรมก็เหมือนกันถ้าเป็นโสดาบันแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ไม่ต้องมาเป็นปุถุชนไม่ต้องมาพิจารณาสกายาทิฏฐิแล้วนะเพราะไม่ยึดไม่ติดไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่ก็ยังมีความยังมีการอารมณ์อยู่ก็ต้องไปแก้ที่ตรงนั้นถ้าเป็นถ้าเป็นพรสกิาคามีก็ กะละได้ประมาณครึ่งหนึ่ง mm. เขาเรียกว่าทําให้เบาบางแต่ก็ยังไม่หมดต้องเป็นพระอนาคามียถ้าเป็นพระอนาคาม mm. ีก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วเพราะว่าไม่มีความต้องการที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะไม่ร่างกายไม่รู้จัะไปใช้เลยรรูปเสียงกลิน่นรสก็ไม่อยากดูไม่อยากจะร่วมหลับนอนกับใครก็เลยไม่ต้องมีร่างกายท่านก็เลย เกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นผอมถ้ายังไม่บรรลุปเป็นผ้าแล้วท่านก็จะปฏิบัติในชั้นผอมได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจิตล้วนๆมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตของท่านนั้นมันก็ยังมีกิเลสอยู่ท่านก็ต้องพิจารณาเวลาจิตทุกข์ก็ต้องดูว่ามันทุกข์เพราะอะไรก็ทุกข์กับความความที่มีความสุขที่หายไปภายในจิตนั่นแหละเอาความสุขหายไปก็เกิดความทุกข์อยากจะให้มันกลับขึ้นมาใหม่ เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นตายรักมันเกิดมันดับมันเกิดได้มันก็ดับได้ถ้าอยากให้มันกลับมาเกิดอีกทํามันให้เกิดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันก็ดับไปอีกเช่นเวลาทําใจให้สงบมันก็ความสุขก็กลับมาแต่เดี๋ยวพอเราเราไม่ได้เราปล่อยมันไว้เดี๋ยวมันก็เสื่อมไปถ้าไม่อยากจะไปทุกข์กับมันก็อยู่กับมันไปสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้แลาใจก็จะไม่ทุกข์กับมัน อันนี้ก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆตามขั้นตามตอนเปยังไงหมดคำถามหรือยังหมดก็หมดเวลาพอดีอ <c oughs> ก็ขอให้ท่านจาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความจเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอน